ยังมีที่หมายอันประเสริฐกว่าหุบเขาเงินทองนี้อยู่เมื่อฐานต่อว่าจะให้ไปไหนมีประโยชน์อะไรผู้แจกเงินก็ตอบว่าอยากให้ได้ไปในสถานที่หนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้ทรัพย์สมบัติไม่ต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติไม่ต้องรักษาทรัพย์สมบัติอีกเลยพอได้ยินเช่นนี้